กานมันจะรู้ทุกอริบทความที่เราเจตนาสร้างตามรูปแบบของกรรมฐ า, านโดยเฉพาะกายและปัชจนามันยาบจาบไม่ไ่าจะหลง <c oughs> ให้เหมือนอนานาปานาสติลมหายใจลมหายใจมันละเอียดกว่ากาย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 นานแล้วบทนี้เราจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นสวนตัวจะไม่ไปตามอะไรทั้งหมดจะไปของเราเองมิสติพาไปล้วก็พึกจากนี้ให้มันคล่องแค่วอะไรที่มันชวนให้หลงนอกจากกายรู้หมดกลับมาให้เป็นมาตั้งไว้ที่เดิมให้เป็น แนุกตีกลองเท็จกองจริงมันบกลองหลงแล้ก็ไม่จริงแต่มันมีอยู่แต่มันไม่จริงลองรู้สึกตัวมันจริงลองสูบความทุกข์มันก็ไม่จริงลองรู้สึกตัวนี่มันจริงสองผัตดดัู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 แบบนี้เราเห็นเราไม่เป็นไปอย่างนั้นตาว่าที่รู้มันจะเห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นไปกับอาการต่างๆจิง ท, ที่มานชวนให้หลงเรารู้ร้อยมุมหลอยแง่มันก็ดีได้ประโยชน์จากความหลงได้เกิดความรู้ถ้าเราไม่ปรึก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 นือการเห็นมันเหนือการเป็นมันต่ำต้อยถ้าเราเพิกไปเพิกไปเห็นทุกเรื่องเห็นทุกอย่างเห็นทุกอะไรต่างๆหลายอย่างที่เกิดกับกายกับใจเนี่ยมากมายแต่บอร์สีพันอย่างเข้าแถวมาให้ดูหมดเหมือนกันเราเงี้ยอ่า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 สุขมันก็ติดทุกข์มันก็ติดโกรธโลภหลงมันติดที่เหลืตันหามันติดเป็นจลิตลาข้าจลิตบุญเต่ยงโทเสจลิต ป, ปุญเต่ยงแบบโมหะจลิต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 ราคาจริดราคาออกหน้าสร้างไมเกิดราคา ข, าขวางมันนัดราคาเย็นดีพอใจจนเหนียวแน่นติดสอกๆอกสอกสอก ส, อกสาหาจำไม่ได้ไม่ได้หลับได้นอนก็มีเทิร์งที่ไหนไปที่นั่นติฉีดีปอบที่ไหนไปที่นั่น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 อันทุกเห็นมันทุกชนะอันหลงเห็นมันหลงชนะอะไรที่มันเกิดขึ้ น, นกับกายกับใจนี่เ<ป>ห็นไม่เป็นไม่ต้องไปหาไม่มีคำถามนะไป autour, กปรกรมฐานนี่มันน่าจะข ย, ยันของเท้ของจริงมาให้ดูสัมผัสได้ ความหลงความไม่หลงความทุกข์ควาไม่ทุกข์ความโกรธควาไม่โกรธความพอใจความไม่พอใจโมนี่ยต้องมีแน่นอนเห็นเห็นธรรมปับลงไปเห็นเลยไม่ฟรีเห็นกายเคลื่อนไหวมีจริงๆ เห็นใจมันคิดมีจริงๆริงเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์มีจริงจรการที่เรามีสตินี่ก็แต่ให้มีกรรมที่ตั้งเอาไว้จะหลุดไปง่ายๆเอากายเป็นมิตตั้งไว้ก่อนวอาทำเป็นแล้วก็วไม่ต้องหัดทำนี่หรืออะไรทำยังไม่เป็นต้องหัด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 ถ้าเข้าใจชีวิตของตัวเองแล้วเข้าใจชีวิตคนอื่นรู้จักช่วยคนอื่นเหือก็บรอสายายพระสูตรประดติ r ามทำคำสอนของพระเจ้าจนผู้นั้นจะถึงฝั่งพาะใิผ่านถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจะถึงภายในผ่านมีน้อยนัก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 โอ้เนี่ยธรรมาเปิดอยู่ล่าเพราันเปิดมันบอกพิดมันบอกถกมันบอกก็มันปิดแจงมาไปไม่ได้จริงไหนไปมาได้ไม่ใช่ประตูความหลงไม่ใช่มันปิดมันเปิดไต่ไม่หลงประตูอยู่ตรงนั้นออกไปตรงนั้นห่านทุก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 มันโกรธอย่ากโกรเธเถอน้องไม่ได้ไม่ได้ไไดเดรฉานไปทางขวางขวางถั่วเองเอาไว้นั่นแหะไม่ต้องไปคาดมนหมาเป็นเดรัฉานถ้าไม่เอาชนะความชั่วด้วยความ ด, ดีมนุษย์มนุษย์เดรฉานหนอกหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัฉานเนี่ย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 ไม้เกิดไม่เก็ไม่เก็บไม่ใจในอาการต่างๆนี่ฮะเห็นอะไรเข้าไปซ่อนอยูนล่างบาเห็นสมมุติเห็นสัมผัสเห็นสมมุติเห็นบหมือนหยัดเห็นวัตถุเห็นอาการที่เขาแสดงตาเห็นรูปเรียกว่าสัมผัส ระหว่างเห็นมีสติรู้แจ้งถ้าไม่มีสติไม่เห็นใจเป็นก็ไมีสมมุติขึ้นมาชอบเรียบัญญัติขึ้นมาชอบไม่ชอบถ้าไม่มีสตินะได้ถ้าเป็นเราชอบไม่ชอบมีสมมุติมีบัญญัติสมมุติไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่จริงธรรมะจริง ความโกรธเป็นสมมติความไม่โกรธเป็นปรมัดความทุกข์เป็นสมมติความไม่ทุกข์เป็นปรามัดปรามัตถ์สภาวะธรรมนี่คือเห็นธรรมมีวัตถุมีวัตถุมีอาการมันก็ต้องมีอาการมีวัตถุเพราะมีตามีลูกมีหูมีเสียงมีกลิ่นมีรสเอมีสัมผัสต่าง แตกฉานเลยตอนนี้นเข้าแถวมาพังพินาศไปเลยทะลุทะลวงไปเลยเปิดไม่ปิดมองอะไรไม่มีอันปิ ด, ปดสะดวกชีวิตสะดว ก, กไม่ติดไม่ข้องไม่ติ ด, ตดเหมือน จ, จักรจร่จรกรกรจรจชีวิตเราติดขัดภาพ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 พบทำตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นน้อยมันจะมีชีวิตสะดวกไปยาวนานนอกจากชีวิตเราสะดวกคนอื่นก็สะดวกเสงเงินก็สะดวกอะไรก็สะดวกไม่มีการเบียดเบียนเอาละตอกเปียบเช่นกันและกันน่าอยู่โลกแน่มองอะไรเป็นนักเปนผลไปหมดถึงจุดหมายปลทางหมด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 เหมือนทะลุไปแล้วพอมีคนแยกขน้ดไปได้เลยเหมือนคนีน่ยนหนังสือไอชิวดีนี่คนบางคนไม่มีร่องรอยเรานี่มีร่องรอยมากเหมือนชื่อเตินทางมาไกลได้เห็นหอะไรต่างๆรันเดียวกันหมด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 อันเลือกของเรานะไปะเฉดแล้วคนอื่นไม่ใช่ไปเสฉดช่วยจนสุดความสามารถเชิงอื่นวัตถุอื่นไปไม่ป่าไม่ดับไปมันก็ไม่ใช่ดั บ, ดบคนที่เป็นอะดับไม่มีอะไรที่ต้องไปขวางขั้นํารทำความดีอันดับไปไเป็นความดีอันปลูกป่าเป็นความดีการ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 นี่คืชีวิตของเรามันน่าจะถึงตรงนี้ง่ายๆถ้าชำนาญล้วก็ต้องไปเรียนนั่งอยู่เฉยก็ได้บารู้ทำคือไม่เป็นไรทำได้เลยมันสุกไม่เป็นสุกมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์อันนี้ช่วยไปก็ได้มีการกระทำเขาเปียกริงชัดเจนนะก็าบอกอย่างนี้ผู้ดใดฟังแบบนี้